ตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุท ธ, ธะภิกษุทั้งหลายสังคตะลักษณะแห่งสังคตะธรรมสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอย่างไรเล่าสามอย่างคือหนึ่งมีการเกิดปรากฏอุปาโทรปัญญายาติ 2. มีการเสื่อมปรากฏวโยปัญญายติ 3. เมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏทิตัศอัญญัตถตังปัญญายติภิกษุทั้งลายสมอย่างเหล่านี้แลคือสังคตะลักษณะแห่งสังคต ธ, ธรรม พิสุทิั้งหลายอสังคตะลักษณะของอสังคตะธรรมสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอย่างไรเล่าสามอย่างคือหนึ่งไม่ปรากฏมีการเกิดนะอุปปาโทปัญญายติ 2. ไม่ปรากฏมีการเสื่อมนะวะโย ปัญญายติ 3. เมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏณทิตตัสอัญญทตังปัญญายติภิกษุทั้งหลาย3มอย่างเหล่านี้แหละคืออสังขตะลักษณะของอสังขตะธรรมภิกษุทั้งหลายมีของสอย่างซึ่งคงที่ ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นของสี่อย่างอย่างนั้นคืออะไรเล่าคือความรู้ตามที่เป็นจริงว่านี้เป็นทุกเป็นของคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่น2 ความรู้ตามที่เป็นจริงว่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นของคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นสามความรู้ตามที่เป็นจริงว่านี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์หน่านี้เป็นของคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นและสความรู้ตามที่เป็นจริงว่านี้คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์เป็นของคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นเหล่านี่แหละเป็นของสอย่าง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 ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกอย่างนี้พิกษุทังหลายเธอผู้ใดที่เป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบปรมจั์แล้วทมกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีผ่าระอันปรงลงแล้วมีประโยชน์ของตนอันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพซึ่งไปรอบแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบถือผู้นั้นย่อมรู้ซึ่งดินโดยความเป็นดินครั้นผู้รู้ซึ่งดินโดยความเป็นดินแล้วย่อมไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งดินย่อมไม่สําคัญมั่นหมายในธาตุดินย่อมไม่สําคัญมั่นหมาย โดยความเป็นธาตุดินย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าดินนั้นของเราย่อมไม่เพลิดเพลิน อ, อย่างยิ่งซึ่งดินข้อนั้นประเหต์ไรเล่าข้นั้นประเหตว่าดินเป็นสิ่งที่เติอนั้นกำหนดรู้รอบแล้วเถืนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งน้ำไฟและลม โดยความเป็นน้ำไฟและลมครั้นรู้ยิง่งซึ่ง น, น้ำไฟและลมโดยความเป็นน้ำไฟและลมแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งสิ่งนั้นย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสิ่งนั้นย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นของเราย่อมไม่เพลดิลดเพลินอย่างยิ่ง ซึ่งสิ่งนั้นพิสุทธิ์ทั้งหลายเถอผู้ใดที่เป็นพระรารมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบปรมจันแล้วทมกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วมีประโยชน์ของตนอันตามถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว N: เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบดะนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นรู้ยิ่งซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานย่อมไม่สำคัญมั่นหมาย โดยความเป็นนิพพานย่อมไม่สําคัญมั่นหมายว่านิพพานของเราย่อมไม่เพลิดเพลิน อ, อย่างยิ่งซึ่งนิพพานข้อนั้นพระอะไรเล่าเพราะเหตุว่านิพพานนั้นเป็นสิ่งที่เธอกําหนดรู้รอบแล้วพิกษณุณาต้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งเลิศ หาอย่างนี้มีอยู่5อย่างเป็นอย่างไรเล่าปิจิตต์ตั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าก็ตามมีสองเท้าก็ตามมีสเท้าก็ตามมีมากเท้าก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ตามมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเพียงใดพระตถาคตผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอันชาวโลกกล่าวว่าเลิ่อกว่าสัตว์เหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้ น, น, ช, น, น, นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิ่อและวิบากอันเลิศย่อมมีแก่ชนผู้เลื่อมใสในสิ่งเลิ่ พิษารทั้งหลายธรามมีปัจจัยบแต่งมีประมาณเท่าไรอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เรากล่าวว่าเลิ่กว่าธรรมเหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งเลิ่และวิบากอันเลิ่ ย่อมมีแก่ชนผู้เลื่อมใสในสิ่งเลิศภิกษุทั้งหลายทาที่มีปัจจัยปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งมีประมาณเท่าไรวิราคะคือทาอันย่ำยี่ความเมาทาเรื่องกาจัดความกระหายความถอนเสียซึ่งความอาลัยความเข้าไปตัดวัฏตะ ทำเป็นที่สิ้นตัะหนความคลายกำหนัดความดับและนิพานเรากล่าวว่าเลิศกว่าทำทั้งหลายเหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราคะชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากอันเลิศย่อมมีแก่ชนผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ สจนทั้งหลายมูก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าไหร่ประสงค์สาวกของตถาคตคือคู่แห่งบุตรสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุตรนี่แหละคือประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรแก่ของคำนับเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับเป็นผู้ควร แก่ของทำบุญเป็นผู้ควรทำมันชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าและเรากล่าวว่าเลิศกว่ามูหรือคณะเหล่านั้นจนเหล่าใดเลื่อมใสในพระสงฆ์จนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากอันเลิศ ย่อมมีแก่ชนผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิกสุ่ทั้งหลายสีนมีประมาณเท่าไรสีนที่พระเรียเจ้าใคร้แล้วคือสีนที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปร้อยเป็นสีนที่เป็นอิสระจากตันหาอันบินอยู่ชนสันเสริญอันตันหาและทิฐิ ไม่รูปกรรมเป็นไปเพื่อสมาธิบันดิตกล่าวว่าเลิศกว่าศีลทั้งหลายเหล่านั้นชนหลอด า, ายย่อมทำให้บริบูรณ์ในอริยะกันตศีลชนหล่านั้นชื่อว่าทำให้บริบูรณ์ในสิ่งที่เลิศก็วิบากอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิ่งที่เลิศ พิสูจนทั้งายเหล่านี้แหละคือความเลื่อมใสในสิ่งเลิศห้าประการพิสูจน์ทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงบุพเพนิวาสามีอย่างเป็นนเยกสมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดย่อมตามระลึกถึงซึ่งอุปทานกันทั้งห้า หรือขันใดขันหนึ่งในอุปทานขันตั้งห้าเหล่านั้นห้าอย่างคือเขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกซึ่งรูปนั่นเทียวว่าในอดีตกาลนานไกลเราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้นั่นนี้บ้างเขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงซึ่งเวทนานั่นเดียวว่า ในอดีตการนานไกลเราเป็นผู้มีเวทนาอย่างนี้อย่างนี้บ้างเขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงซึ่งสัญญานั่นเทียวว่าในอดีตการนานไกลเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ดังนี้บ้างเขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึก ถึงซึ่งสังขาร น, นั่นเทียวว่าในอดีตการนานไกลเราเป็นผู้มีสังขารอย่างนี้ดังนี้บ้างเขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงซึ่งวิญญาณ น, นั่นเทียวว่าในอดีตการนานไกลเราเป็นผู้มีวิญญาณอย่างนี้ดังนี้บ้างวิสุทธังหลาย ทำไมเขาจึงเรียกกันว่ารูปเพราะว่าธรรมชาตินั้นย่อมสลายเหตุนั้นจึงเรียกว่ารูปแตกสลายได้เพราะอะไรบ้างคือแตกสลายได้เพราะความเย็นบ้างเพราะความร้อนบ้างเพราะความหิวบ้างเพราะความกระหายบ้างเพราะสัมผัสอันเกิดจากเหลียบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้าง พิสัหลายธรรมชาตินั้นย่อมแตกสลายได้เหตุนั้นจึงเรียกว่ารูปวิสุ์ทั้งหลายทำไมเขาจึงกล่าวกันว่าเวทนาเพราะธรรมชาตินั้นอันบุคคลรู้สึกได้เหตุนั้นจึงเรียกว่าเวทนารู้สึกได้ซึ่งอะไรบ้างคือรู้สึกได้ซึ่งความรู้สึกอันเป็นสุขบ้าง รู้สึกได้ซึ่งความรู้สึกอันเป็นทุกข์บ้างรู้สึกได้ซึ่งความรู้สึกอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างพิสษจ์ทั้งหลายธรรมชาตินั้นอันบุคคลรู้สึกได้ดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าเวทนาพิสษุธทั้งหลายทำไมเขาจึงกล่าวกันว่าสัญญาคือสิ่งใด ย่อมหมายรู้ได้พร้อมเหตุนั้นจึงเรียกสิ่งนั้นว่าสัญญาหมายรู้ได้พร้อมซึ่งอะไรเล่าคือหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีเขียวบ้างหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีเหลืองบ้างหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีแดงบ้างหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีขาวบ้างพิเศษของลายธรรมชาติ ที่มีความหมายรู้ได้พร้อมเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัญญาพิจุทณหลายทำไมเขาจึงกล่าวกันว่าสังขารคือธรรมชาตินั้นย่อมปรุงแต่งให้เป็นของปรุงแต่งเหตุนั้นจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งอะไรให้เป็นของปรุงแต่งคือปรุงแต่งรูป ให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนานให้สําเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาให้เป็นของร ป, divergence. ปรุงแต่งโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งวิญญาณให้สําเร็จรูปโดยความเป็ re <ierte อ>นวิญญาณ พิสุททั้งหลายธรรมชาตินั้นปรุงแต่งให้เป็นของปรุงแต่งเหตุนั้นจึงเรียกว่าสังขารพิสุททั้งหลายทําไมเขาจึงกล่าวกันว่าวิญญาณคือธรรมชาตินั้นย่อมรู้แช้งเหตุนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณย่อมรู้แช้งซึ่งไร่เล่าคือย่อมรู้แช้งซึ่งความเปรีย้ยวบาง ซึ่งความขมบ้างซึ่งความเผ็ดร้อนบ้างซึ่งความหวานบ้างซึ่งความขืนบ้างซึ่งความไม่ขืนบ้างซึ่งความเค็มบ้างซึ่งความไม่เค็มบ้างพิสุทตรงหลายพระธรรมชาติที่มีความรู้แจ้งมีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าวิญญาณพิสุทธิต่งหลายในขันตั้งห้านั้น อริยาสาวกผู้มีการสดับย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดอย่างนี้ว่าในการนี้เราถูกรูปเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการนานไกลเราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้สันว์ในกระันนั้น แต่เราเพลิดเพลินรูปในอนาคตแม้ในอนาคตตการนานไกลเราก็จะถูกรูปเคี้ยวกินเหมือนกับที่เราถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ฉันไหนก็ฉันนั้นเรียสาวกนั้นพิจารณาเห็นแล้วดังนี้ย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อรูปอันเป็นอดีตไม่เพลิดเพลินรูปอนาคต ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบือหน่นายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งรูปอันเป็นปัจจุบันพิสูษหลายในการตั้งห้านั้นอริยาสาวกผู้มีการสับยย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ว่าในการนี้เราถูกเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเกี้ยวกินอยู่ แม้ในอดีตการนานไกลเราก็ถูกเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเกี้ยวกลินแล้วเหมือนกับที่ถูกเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ฉันไหนก็ฉันนั้นถ้าเราเพลิดเพลินซึ่งเวทนาเป็นต้นในอนาคตแม้ในอนาคต การนานไกลเราก็จะถูกเวทนาเป็นต้นเคี้ยวกินเหมือนกับที่เราถูกเวทนาอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ฉันในกันฉันนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อรูปอันเป็นอดีตย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อเวทนา สัญญาสังการและวิญญาณอันเป็นอดีตไม่เพลิดเพลินเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณในอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนดดับไม่เหลือแห่งเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณอันเป็นปัจจุบันพิสูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าคา่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าคา่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นเป็นอัตตาของเรา เพราะนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าคา่าพิจิตตุหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าขสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอ ที่เราจะตามเห็นเวทนานั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้า ข, ข้าพิสุทธิ์ทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้ ข, ข้า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดากวรแล้วหรือหนอที่เราจะตามเห็นสัญญานั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพิจารณาหลายเทอจะสาคัญความข้อนี้ว่ายอย่างไรสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 พิสูั้งหาพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงประชาขาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ประชจาขาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาคุณแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นวิญญาณ น, นั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายประเหตุนั้นในเรื่องนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณยังได้อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันที่มีในภายในหรือภายนอกก็ตามยาบหรือละเอียดก็ตาม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 เรากล่าวว่าย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระจายกระจายย่อมไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้มอดย่อมไม่ทำให้โ่งเติอผู้นี้ย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งอะไรเล่าคือเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งรูปซึ่งเวทนา สัญญาสังการและวิญญาณเธอผู้นี้ย่อมกว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาซึ่งอะไรเล่าคือเธอย่อมกว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาซึ่งรูปเวทนา ส, ญญาสัญญาสังการและวิญญาณเธอผู้นี้ย่อมทําให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทําให้เป็นกองซึ่งอะไรเล่าคือเธอย่อมทําให้กระจัดกระจาย ย่อมไม่ทําให้เป็นกองซึ่งขันทั้งห้าเธอย่อมทําให้หมอดย่อมไม่ทําให้ลุกโปลงซึ่งขันทั้งห้าเหล่านั้นเธอผู้ที่มีการสดับอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในรูปเบื่อนายแม้ในเวทนาเบื่อน่ายแม้ในสัญญาเบื่อนายแม้ในสังขาร เบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดยานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วตันั้นย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่คนทําได้ทําสําเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกเตี๋ยววนี้เราเรียกว่าไม่ก่ออยู่ไม่ยุบอยู่แต่เป็นนั้นว่ายุบแล้วดารงอยู่ไม่กว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นนั้นว่ากว้างทิ้งแล้วดารงอยู่ไม่ทําให้กระเจากระเจายอยู่ไม่ทําให้เป็นกองอยู่ แต่เป็นนันว่าทำให้กระจายกระจายแล้วดำรงอยู่ไม่ทำให้หมอดอยู่ไม่ทำให้โปร่งอยู่แต่เป็นนันว่าทำให้หมอดแล้วดำรงอยู่ฟังธรรมคำพุทธะ